อีกสูตรหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่สูตรถึงเรียกเกี่ยวกับเรื่องทานทีนี้ถ้าสูตรเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับว่าจริงอยู่ในสุขสูตรนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุขสามประการนี้เพึงรักษาศีล น, นะครับถ้าต้องการสุขสามอย่างนะให้รักษาศีล สามประการเป็นไฉนะคือบันดิตปรารถนายู่ว่าขอความสรรเสริญจงมีแกเรานะครับถ้าอยากให้คนอื่นเขายกย่องนะอยากให้คนอื่นยอมรับว่างั้นเถอะก็ควรรักษาศีลนะไม่ใช่ควรไปร้องเรียกโดยวิธีการอย่างอื่นคือบางคนเนี่ยนะต้องการให้คนอื่นยอมรับตัวเองใช่หครับ ก็ไปทําชั่วโดยประการต่างๆเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับนะไปยอมเสียศีลเสียธรรมไปประจบประแจงเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับอันนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนอื่นเขายอมรับเขายกย่องเป็นต้นก็ยกย่องโดยทำนะครับคือให้ตัวเองเนี่ยมีศีลอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็บอกว่าขอโภคขสมบัติจงเกิดแกเรานะครับก็ให้รักษาศีลนะครับอย่าไปเที่ยวปล้นนะนะครับให้ประพฤติโดยชอบธรรมแล้วก็3บอกเมื่อตายไป เราจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้นะถ้าปรารถนาความสุขสามอย่างเนี่ยนะขอให้รักษาศีลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุขสามประการนี่แลพึงรักษาศีลอันนี้คงจะพูดถึงในวงการบัณฑิตและกำมังครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยใครใครก็ตามถ้ามีฐานะรำ่ำรวยนะครับเป็นที่อยอมรับเชิดหน้าชูตาในวงสังคมนะครับ คือถ้าคนมีศีลดีเนี่ยนะครับก็จะมีทรัพย์ด้วยนะเพราะว่าคนที่มีศีลดีเนี่ยนะครับเป็นคนขยันนะครับผมรู้จักโยมบางคนเนี่ยนะครับเขาก็ศีลห้าเขาดีนะครับแต่เป็นคนที่มั่นขยันมากใช้จ่ายก็รู้จักใช้จ่ายเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็มีทรัพย์นะครับมีทรัพย์แล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปหมดคือศีลในที่นี้ไม่ใช่สมาทานแล้วก็นอนเฝ้าบ้านนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับ หมายถึงก็ทํามาหากินโดยชอบทําแบบคนทั่วไปทุกอย่างหมดนะครับแต่สมาทานศีลแต่เป็นคนมีศีลนะครับหมายถึงลักษณะนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงโอ้สมาทานศีลแล้วก็เป็นคารวะก็มาทําตัวเรียนพระภิกษุนะครับเป็นพระภิกษุก็ไปเรียนคารวะไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่อาจารย์เหมือนเหมือนอาจารย์ที่เล่าให้ผมฟังไงว่าข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่ ง, งนะครับที่ที่เชียงใหม่นะครับที่ว่าถูกลูกน้องประนามว่าเออทําตัวอย่างนี้ลูกน้องก็โอดตายหมดล้วสิอะไรอย่างนี้ฮะครับ ก็คือเนี่ยท่านท่านไม่เอาด้วยท่านไม่โกงด้วยครับท่านท่านจะมีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยฮะถ้าถ้าอย่างนี้ในยุคนี้ก็นับว่าอยู่ยาก <ไง S 2> พอสมควรนะครั บ, รบถ้าจะประพฤติธรรมในยุคนี้นะในยุคนี้สมัยนี้ก็นับว่าอยู่ยากมากคนผ่านมีมากครับผม<บ>ในยุคที่คนพ่านมีมากเนี่ยนะที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบก็นับว่ายากมากแต่ถ้าทําได้แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นน่ยนะเพราะฉะนั้นควรตั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วผมก็ตรัดเป็นคาถาประพันธ์ว่านักปราฏปรารธนสุขสามประการคือความสันเสริญหนึ่งการได้พ่อขซั์เครื่องปลื้มใจหนึ่งความบันเทิงในสวรรค์ในโลกหน้าหนึ่งเพื่รักษาศีล น, นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรารธนความสุขสามอย่างนี้นะรักษาศีลดีนะทีนี้ก็กล่าวถึงว่าเออคนรักษาศีลเนี่ยนะควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปว่า ถ้าว่าบุคคลแม้ไม่ทำความชั่วแต่เข้าไปซ่องเสพ บ, บุคคลผู้กระทำความชั่วอยู่ไซบุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่วและโทษของบุคคลผู้เสพคนชั่วนี้ย่อมงอกงามหมายความว่าถ้าหาว่าครบคนชั่วเนี่ยนะโทษมันจะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นเช่นคนมีศีล แต่ไปคบผู้ที่ทุศีนอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างแต่ความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับเดือดร้อนไปร่ําไปเนี่ยนะครับไม่มีหยุดมีหย่อนมีเลิกมีราเนีนะครับเช่นตัวเองไม่กินเหล้าแต่เพื่อนนี่ขี้เหล้าทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้ก็สร้างปัญหาเหมือนกันตัวเองไม่ฆ่าสัตว์แต่เพื่อนนี่เป็นนักล่าสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเองไม่มุสาวาสนะครับแต่อยู่ในวงสังคมที่เต็มไปด้วยมุสาวาสตัวเองไม่ดื่มสุราเลยนะครับเพื่อนฟูงนี่มีแต่ขี้เหล้าเมาย า, ยา ถ้าตัวเองมีศีลแบบนี้แต่ถ้าไปคบคนทุ่ศีลแบบนั้นเนี่ยนะครับทีนี้บุคคลผู้อันรังเกียจในความชั่วแล้วโทษของการเสพคนชั่วคนนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับเสียหายด้วยนะอย่างโยมคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ไม่กินเหล้านะครับกินแต่โคกันนะแต่ว่าวงที่เขานั่งเนี่ยวงเหล้าทั้งนั้นเลยนะครับถึงอย่างนั้นไอ้คนนี้นะครับถึงไม่กินเหล้าก็เสียหายเหมือนกันนะครับ ก, ก็ถือว่านับว่าเสียหาย ก็ไปที่ไหนเขาก็เรียกว่ากลุ่มกวนขี้เล่าเหมือนกันหมดนะครับขอบคุครับแล้วก็สร้างอุปนิสัยของการเสพกับคนพาไปด้วยนะครับอ่านั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสนทนาปราสายเป็นต้นมันก็ขี้เล่าคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เมาโคกเพอเจร์เหมือนกันอะไรเหมือนกันถ้าหากว่าอัธยาศัยดีมจะไปนั่งกับคนที่เมาได้ยังไงนะครับแต่บางกรณีนะฮะบางกรณีเนี่ยมันก็ อย่างเราอ่านในเปตาวัตถุใช่ไหมครับที่นายพรานคนหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นอุบาสกนะครับบาสกท่านก็มาแนะนําให้รักษาศีลเธออะไรอย่างหมดนี้ก็บอกว่ารักษาไม่ได้นะครับบาสกท่านไม่เห็นว่าเอ่ยังไงก็คงรักษาไม่ได้ในตอนกลางวันกลางคืนมันนอนนี่หวา่านไม่ได้ทำอะไรก็เลยแนะนําให้สมาทานรักษาเมื่อคืนสิอย่างเงี้ยฮะก็เลยตกลงทำเลยเปลี่ยนกายเป็นเปรตเวมาในกับเปรตฮะ สบายกลางคืนกลางกลางวันรับทุกขโทษไปอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นะอเนื่องจากไปคบคนดีเนื่องจากไปคบคนดีนะครับอืแต่ทีนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าเราหวังความเจริญนะครับในเรื่องศีลเนี่ยนะก็ต้องหลีกเลี่ยงคบคนทูศีลเว้นไว้แต่ว่าใจาอนุเคราะห์เขาถ้าดูอนุเคราะห์ไม่ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรส่องเสพโดยประการท่างปวงนะครับ เพราะว่าศีลเนี่ยนะครับมีอยู่สามลักษณะนะครับหินศีลมัชชีมศีลแล้วก็ปณีตศีลถ้าเรามีศีลดีแต่คบแต่คนทุศีลศีลของเราเนี่ยเป็นประเภทศีลอย่างเลวนะครับเป็นหินศีลนะครับเป็นศีลอย่างสามแต่ถ้าหากว่ามีศีลแล้วก็คบหาสมาคมคนที่มีศีลเท่ากันนี่เขาเรียกว่ามัชชีมะปานกลางนะครับถ้าตัวเองมีศีลแต่คบคนที่ยิ่งกว่าด้วยคุณธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็น ปนีตศีลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาเสื่อมหรือจะเอาตั้งอยู่หรือจะเอาเจริญขึ้นก็เลือกคบคนเอานะครับแต่ถ้าตามลักษณะนี้ใครที่คบคนเช่นใดโดยมากก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับใหม่ๆหม่ศีลดีแต่นานๆเข้าก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นรพระภิกษุที่มีศีลนะครับไปคบพระภิกษุที่ไม่มีศีล น, นานๆเข้าก็จะทุศีลทีนี้พระภิกษุที่ไม่มีศีลนะครับไปอยู่ ใกล้ๆ ก, กับหมู่พระพิสุทที่มีศีลนานๆก็พอจะมีศีลได้บ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าอาสาบุรุษคนเดียวก็ทําให้คนอื่นทุศีลได้หมดนะครับบุคคลย่อมกระทําบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตรย่อมเข้าไปเสพ บ, บุคคลเช่นใดบุคคลนั้นแหลเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นนะ ค, ะครับคบคนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นนะครับ อยู่ใกล้กันเน่ยนะมันซ่องเสพมาเออคาพูดคําจาเนี่ยนะครับมันเหมือนกันไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าคําพูดคําจากิริยาท่าทางมันติดเชื่อกันมาหมดเลยนะครับผมเออผมสังเกต ด, ดูหลายครั้งแล้วผมไปอยู่ใกล้ๆใครนะมันจะได้สับอะไรแปลกๆมาใหม่ๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากคบครบเขาอะนะเออนะครับได้มาจริงๆนะครับแต่ถ้าจากไปนานๆก็ลืมแต่ถ้าคบกันเรื่อยๆนะครับจะพูดจนติดนิสัยอะนะคำพูดหลายคํานะครับ เออผมมีจริงๆผมสังเกตดูคำนี้เนี่ยผมไปเรียนคนโน้นมานี่นะครับอย่างน้อยที่สุด ก, ก็ได้คําครบนานๆนู้จะได้อะไรมาอีกก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าได้ดีๆก็ค่อยอยังชั่วหน่อยได้ประเภทไม่ดีนี่แย่นะครับเรามันเชื่อมัรับง่ายๆแล้วนะเป็นโรคภูมิแพ้ก็ได้ะไนะภูมิคุ้มกันบกพ้องนะครับถ้าไปเสพที่ไม่ดีนี่แย่แน่นะครับนะครับ คนชั่วซ่องเสบบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติอยู่ย่อมทำบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติที่ซ่องเสบตนให้ติดเปื้อนด้วยความชั่วเหมือนลูกศรที่แช่ยาพิษถูกยาพิษติดเปื้อนแล้วย่อมทำแรงลูกศรที่ไม่ติดเปื้อนแล้วให้ติดเปื้อนด้วยยาพิษฉะนั้นนะครับ ข, ขี้ขี้ยามาคนเดียวนะครับมาอยู่ในวัดเนี่ยนะครับ เข้าว like ัดออกวัดนานๆเนี่ยนะครับวัดทั้งวัดนั้นก็น่าจะเริ่มเสียหายแล้วนะครับเริ่มเสียหายแล้วนะหรือแม้กระทั่งเอาสมมติว่าภิกษุเสียชื่อเสียงอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับวัดนั้นเนี่ยเช้าโฉวไปทั้งวัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นในบ้านไหนมีลูกขี้ยาอยู่คนหนึ่งนะครับบ้านนั้นก็เสียหายหมดนะครับถึงพ่อแม่จะมีศีลดีทํางามแต่ถ้าลูกขี้ยาอยู่คนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็เสียหายไปด้วยนะครับ นักปราชไม่พึงเป็นผู้มีคนชั่วเป็นเพื่อนเลยเพราะกลัวแต่การเข้าไปติดเปื้อนคนใดห่อปลานเน่าไว้ด้วยใบหญ้าคานะหรือบางทีก็ใบาคาหรือใบหญาคาเนี่ยนะแม้ยญ้าคาของคนนั้นย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปการเข้าไปซ่องเสพคนพานย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นนะครับคบคนชั่วมันก็คลอยชั่วไปด้วยนะครับ ส่วนคนใดห่อกฤษณาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของคนนั้นย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไปการเข้าไปซ่องเสพนักปราชย์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความสําเร็จผลแห่งตนดุจห่อใบไม้แล้วไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุรุษพึงเสพสัตบุรุษเพราะว่าอสัตบุรุษย่อมนําไปสู่นรกสัตบุรุษย่อมให้ถึงสุขตินะครับ เพราะฉะนั้นเลือกคบคนเอานะครับจะดีจะชั่วก็ดูที่คนรอบข้างนะครับว่าคติหรือว่าสัมปรายภพนะครับชาติหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรก็ดูว่าเราครบคนเช่นใดหรือคนเช่นใดเป็นบุรุษในดวงใจของเรานะครับเป็นคนดีหรือคนชั่วนี่ก็พอที่จะบอกได้แล้วว่าคติในเบื้องหน้าเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรเป็นมาตรฐานะนะนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ใน ที่จะพยากรณ์พบหน้าได้แล้วนะครับว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปอธถกถาสุขสูตรนะครับประมัททีปเนีอนธิบายว่าบทว่าสีลังนะครับสีลังเนี่ยนะก็คือศีลทั้งครือขัดและบรนประชิตอธิบายว่าถ้าครือัดก็ต้องรักษาศีลของเครือขัดถ้าบรนประชิตนักบวชจะต้องรักษาจตุปาริสุทิศีล นะครับปฏิโมกสังวรอินทรีสังวรปัจยะ ส, นสันนิสิตินและอาชีวะปาริสุทธิสิตนนะครับถ้าปรารถนาสุขสามอย่างเนี่ยนะบทว่าประสังสามเมอาคาัจตุความว่าผู้ฉลาดคือผู้มีปัญญาปรารถนาอยู่ว่าขอกิติศัพท์อันดีงามของเราจงมาถึงดังนี้เพื่อรักษาศีลนะครับถ้าอยากให้คนอื่นเขายกย่องนะอยากให้คนอื่นเขาชื่นชมอนุโมทนาด้วยนะ อธิบายว่ากิตติศัพท์อันดีงามของคฤหัตผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปในท่ามกลางบริษัทโดยในเป็นต้นว่าบุตรของตระกูลโน้นชื่อโน้นเป็นผู้มีศีลมีกาลยานธรรมเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้บำเพ็ญบุญดังนี้นะครับอันนะัถ้าหากว่าเป็นคราวญนะเขาก็จะยกย่องกันนะอนั่นน่ะคนดีจริงๆนะแตเขาจะยกย่องกันส่วน กิตติศัพท์อันดีงามของบรรพชิตนะครับนักบวชทั้งหลายก็ฟุ้งไปในถ้ำกลางบริษัทโดยนายเป็นต้นว่าภิกษุชื่อโ น, น้นเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดสงบเส ง, เงีวยมอยู่ร่วมด้วยก็สบายมีความเคารพมีความยำเกรงใครก็อยากอยู่ห้องใครก็อยากอยู่ด้วยนะครับอยากให้มาอยู่ร่วมกันเป็นต้นเนี่ยนะครับมีศีลก็จะมีชื่อเสียงแบบนั้นไปที่ไหนเขาก็ไม่รังเกียจเขาก็อยากเชื่อเชยอยากจะต้อนรับอยากไปนิมนต์ให้มาอยู่ด้วยอยากอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับถ้าศีลดีทำงานงามก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้ากศีลไม่ดีก็โอ๊ยไม่ต้องมาอีกนะอย่างเป็นต้นนะครับสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนครือาบาดีทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งกิติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลอย่อมฟุ้งขจรไปแล้วก็ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลาย ถ้าหากภิกษุพึงหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายนะครับดังนี้ซ้ายเธอต้องเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับอันนี้ในอากังเขยสูตรนะถ้าอยากให้เพื่อนสหธรร ม, มิกเป็นต้นเนี่ยนะเขารักเขาชอบพอใจเนี่ยนะถ้าอยากให้เขาเจริญเมตตาให้ถึงเราก่อนนะครับคนแรกเลยนะถ้าเขาจะเจริญเมตตาให้ถึงตัวเองก่อนก็ ทำบริบูรณ์ในจตุปาริสุทิสีนเป็นต้นนะถ้าหากว่าตั้งอยู่ในจตุปาริสุทิสีนเนี่ยนะครับเราก็เป็นพยานแห่งเมตตาของเขาได้นะครับคือเขานึกถึงเราแล้วเขาไม่โกรธเขาก็มีจิตใจใเป็นไปกับเมตตาแล้วเขาก็สามารถทําเมตตาให้เป็นฌางเป็นอะไรเป็นต้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ดูถ้าจะแก้ไขที่เรานะครับถ้าเราอยากให้คนอื่นๆเขาดีด้วยเราก็ต้องทําตัวให้ดีรักษาจตุปาริสุทิศีนเขาก็จะเจริญเมตตาให้เราได้อย่างสนิทใจะนะครับนั่นะ อากังเขยสูตรนะครับมัชฌิมณิกายมูลปนาฏในเล่มสิบเจ็ดนะครับนี่ต่อไปนะครับเพิ่งทราบวินิจฉัยในบทว่าโพคาเมอุปัชชนุนี่ดังนี้ต่อไปก่อนอื่นนะครับครือัสนะครับเครือหัสผู้มีศีลเนี่ยนะครับมีกลยานธรรมอยู่เขาเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะและความหมั่นขยันใดๆเช่นกสิกรรมคือการ เกษตรนะครับหรือว hmm. ่าพาณิชยกรรมนะครับการค้าขายแม้กระทั่งการรับราชการแม้เม e ื่อเป็นเช่นนั้นโภคค่าทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแก่เขาและโภคค่าที่เกิดขึ้นแล้วจักถึงความเจริญขึ้นเพราะความเป็นผู้ไม่ประมาทในศิลปะและความขยันนั้นตามกาละและตามวิธีคือเมื่อเมื่อศีลดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่ประมาทเมื่อเป็นประมาทก็ไม่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายเมื่อไม่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายก็เป็นเหตุให้ได้ พ่อข้าทัทั้งหลายนั่นเองนะครับด้วยความหมัน่นด้วยความขยันตามตามวิธีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้สมาทานศีลแล้วก็นอนรอให้ผลของศีลมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นคือคําว่าศีลดีนี่นะครับหมายถึงว่าไม่ละเมิดทุจริตทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ประพฤติตามแนวทางแห่งสุจริตทั้งหลายนะครับจึงเรียกว่ามีศีลดีคือไม่ทําชั่วในยะตรงกันข้ามไปเพิ่มไปเติมสร้างแต่คุณงามความดีนะครับลักษณะนี้ ส่วนบนรรพชิตนะครับนักบวชเนี่ยนะครับพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะเมื่อสมบูรณ์ด้วยสีลาจริยวัตรมีปกติไม่ประมาทอยู่มนุษย์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลและคุณมีความมักน้อยเป็นด้นนะครับของบรรพชิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็จะนําปัจจัยมาให้อย่างมโหฬารเมื่อเป็นเช่นนั้นโผล่้าที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นแก่บรรพชิตนั้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จกมั่นคงนะครับ อันนี้เป็นเป็นเรื่องของศีลดีนะถ้าศีลดีทํางามเนี่ยนะครับเป็นรพระภิกษุก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจยัย4นะครับไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสีที่จะให้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนเครื่อหัตถดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะประสบกองแห่งโภคะใหญ่มีความไม่ประมาทเป็นเหตุนะครับเช่นไม่ดื่มเหล้าเมา ย, ยาเป็นต้นเนี่ยนะ ก็หมั่นขยันทํางานก็สามารถที่จะเก็บอมรอม ร, อมริบรักษาทรัพย์ไว้ได้แต่ถ้าเป็นพระภิกษุก็สมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราจักเป็นผู้ได้จีวณบินทบาตเสนาสะนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารดังนี้ไซเธอต้องเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายคือไม่ใช่รักษาศีลเพื่อปัจจัย4ีนะครับตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ใช่รักษาศีลเพื่อปรารถนาปัจจัยศ แต่บางคนก็บอกโอ้ยผมไม่สามารถจะรักษาศีลได้หรอกผมเดือดร้อนเพราะปัจจัยสี่พงบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงนะถ้าหากว่าเธอศีลดีมีทำงานงามเธอจะไม่เดือดร้อนในปัจจัยสีเองนะครับไม่ต้องกลัวนี่เป็นผลของศีลอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สอนให้ว่าเออเธอเนี่ยนะอยากได้ลาบสการะอยากได้จีวรเป็นต้นเธอรักษาศีล น, นะไม่ใช่แบบนี้นะครับตั้งใจให้ถูกต้อง ทีนี้ส่วนในคาถาในคาถาที่ตรัสไว้ว่านักปราดปรารถนาสุขสามประการคือความสรนเสริญการได้โพกษะเครื่องปลื้มใจความบันเทิงในสวรรค์ในโลกหน้าเนี่ยนะครับพึงรักษาศีล น, นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าว่าบุคคลแม้ไม่กระทําความชั่วแต่เข้าไปเสพ บ, บุคคลผู้กระทําความชั่วอยู่ซ้ายบุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่ว และโทษของบุคคลผู้เสพคนชั่วก็ ย, ย่อมงอกงามนะครับโทษทั้งหลายก็จะปรากฏยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอัตถาอธิบายว่าจิตตะลาพังความว่าการได้ทรั์นะครับอธิบายว่าการเกิดขึ้นแห่งโภครัพ์ก็โดยข้อที่แตกต่างการบรรดาสุขทั้งสามนั้นพึงทราบอย่างนี้ว่าทรงถือเอาเจตสิ ก, กสุขด้วยการสารรเสริญกายยิกสุขด้วยการเกิดขึ้นของโภคะนะครับอุปติสุขด้วยซั์นอกนี้ เพิ่งทราบว่าทรงถือเอาสุขในปัจจุบันด้วยสุขแรกนะครับคือสารเสริญสุขในสำปรายภพด้วยโภคาเนี่ยนะสุขทั้งสองนะทั้งภพนี้ภพหน้าด้วยสับที่สองนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการเว้นจากปาปะมิตรและการคบหากลรยานามิตรซึ่งเป็นเหตุพิเศษของการสรรเสริญนั้นเป็นต้นเหมือนศีลที่เป็นเหตุธรรมดาของการสรรเสริญเป็นต้นพร้อมด้วยโทษ และอานิสง์นะครับคือสำคัญที่สุดนี่ก็คือเกี่ยวกับการคบมิตรนั่นเองนะครับบทว่าสังกิโยความว่าเขาเพิ่งถูกรังเกียจในเพราะความชั่วคนนี้ทำชั่วมาแล้วหรือจกทำชั่วต่อไปเป็นแน่อันหนึ่งเพราะเขาไปมาหาสู่อยู่กับคนชั่วทั้งหลายใช่ไหมครับ คือก็ระแวงนะอย่างนูดเราไม่ได้ติดยาหรอกแต่ว่าเพื่อนมีขี้ยาทั้งนั้นนะนะคนทั้งหลายก็จะระแวงเอ๊ะนี่ติดยาด้วยหรือเปล่านะครับตัวเองไม่กินเหล้าหรอกแต่ครบแต่ขี้เหล้าเนี่ยนะครับตัวเองไม่เล่นการพนันแต่เพื่อนนี่นักพ น, นันทั้งนั้นเลยนะครับหนักๆเขาเอ๊ะคนนี้พนันด้วยหรือเปล่าะครับคนก็จะระแวงสงสัยเป็นต้นนะครับเนี่ยนี่เป็นความจริงนะเป็นคล้ายๆแบบว่าตัวผมเองมีความรู้สึกอย่า ง, งนั้นนะบางทีเพื่อนพิสูจน์บางรูปแท่าน ก็เป็นเพื่อนชาจะมิตรที่รักษาศีลอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เวลาไปทํางานเผยแร่ทํางานอะไรเนี่ยไปคุกคีอยู่กับคนที่พระที่ท่านยังใช่ปัจจัยใช้เงินใช้ทองอะไรอยู่เลยนะบางทีในใจปึ๊บบางทีก็รังเกียจพอเข้ามาใกล้ก็รู้สึกรังเกียจในใจว่าเอ๊พะพระรูปนี้นี่ไปรับเงินรับทองแล้วก็มังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดไปงั้นก็จะระแวงนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความระแวง บทว่าอาสระความว่าการกล่าวโทษแม้ไม่เป็นจริงย่อมงอกงามคือถึงความงอกงามไพ่บู์ได้แก่แผ่ไปในเบื้องบนของคนผู้คบหาคนชั่วหรือบุคคลนั้นเพราะการครบหาสมาคมกับคนชั่วเป็นปกตินะครับเนี่ยนะบทว่าสเวตาทิสโกโหติความว่าผู้ใดคบและเข้าไปคบป่าประมิตรหรือกาลยาณมิตรเช่นใด บุคคลนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นคือมีบาปรธรรมหรือมีกาลยานธรรมเหมือนน้ําที่สะอาดและสกปรกด้วยสา ม, มารถแห่งพื้นที่นะครับคือน้ําหย่อนอย่างเหมือนน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าตกลงไปในบ่อขี้หมูนะครับน้ําอันนั้นก็จะสกปรกโสมลไปด้วยหมดนะครับน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าตกไปในพื้นที่ที่มันสะอาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับในบ่อน้ําที่มันสะอาดเนี่ยนะ น้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำสะอาดเพราะฉะนั้นไอพื้นที่รองรับน้ำฝนเนี่ยนะครับคือน้ำฝนเนี่ยปกติก็สะอาดนั้นเราเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นคนมีศีนะ น, นะเราไปควบครายก็เหมือนกับเราเป็นน้ำฝนไปตกลงในที่ไหนนะครับจะชั่วหรือจะดีก็พื้นที่ที่ลงนั่นเองถามว่าเพราะเหตุไรเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเหตุให้เป็นเช่นนั้นอธิบายว่าการอยู่ร่วมกันกับคนชั่วช้าไม่ควรทําเพราะการอยู่ร่วมกัน คือการคลุกคลีกันได้แก่การสนิทสนมกันเป็นเหตุให้รับเอากิริยาอาการของคนที่ครบนะครับที่เป็นอุปนิสัยของคนเหมือนแก้วผลึกและแก้วมันีที่อยู่ร่วมกันอย่างนั้นมันติดเชื่อกันนะครับและ อ, อ, อย่างเราเป็นคนไม่ดุร้ายนะครับแต่พาไปอยู่กับคนดุร้ายนานๆ น, นะครับเราก็จะเป็นคนดุด้วยนะครับ ถ้าเราปกติใช้คำไม่หยาบแต่ไปอยู่ในสังคมที่เขาใช้คำหยาบๆกันนะครับนานๆเข้าก็โอ้โหติดเชื้อคำหยาบเราเนี่ยมามหาศาลนะครับถ้าเราอยู่กับคนใจดีนะสังคมที่เขาใจดีก็ได้รับไอ้อิทธิพลของความใจดีมีเมตตาเป็นต้นด้วยนะครับไปอยู่กับสังคมที่จะเอามักจะจะได้เป็นต้นเนี่ยจะเอาจะเอาอยางเดียวก็ไม่อยากจะเอามั่งเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่เขาให้เขาให้เขาให้อย่างเดียวเอ๊เราก็อยากให้มั่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมนั้นมีความสําคัญมากนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ของผู้ที่จะรักษาศีลนี่นะครับว่าถ้าหากว่าตัวเองรักษาศีลแล้วควรจะอยู่ที่ไหนเหมือนพระพิสูจน์ทั้งหลายถ้าหากว่าท่านประสงค์จะรักษาพระธรรมวินัยจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนหรือสหธรรมมิตกาลยานมิตรเป็นต้นเนี่ยจะต้องเลือกคบหานะครับถ้าเลือกคบหาไม่ได้รักษาได้ไม่นานนะครับ พาบางองค์ร้ายองค์อยากจะรักษาศีลด้วยแต่อยากจะอยู่ที่เดิมด้วยซึ่งมันสภาพแบบนั้นนะมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนอยากจะเลิกบุหรี่แต่ก็อยู่ในพวกเพื่อนฟุ้งที่โโหแต่ละคนเนี่ยนะครับปากคาบบุหรี่ทั้งนั้นเลยนะมันก็เลิกไม่ได้อยากจะเลิกเหล้าแต่แม้อยู่กับวงที่เหล้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลิกไม่ได้พระพิสุทเทีปราตนาจะรักษาศีลรักษาธรรมก็ต้องเลือกหากัลายาณมิตรเป็นต้นนะครับจึงจะเป็นไปได้ บทว่าเสวะมานเสวะมานังความว่าคนชั่วเมื่อคบบุคคลอื่นที่บริสุทธิ์ตามปกติที่คบตนอยู่ตลอดการเวลาหรือที่เขาคบอยู่คือทําให้เขาแปดเปื่อนไปด้วยนะครับบทว่าสัมผูโถสัมผูสังความว่าคนชั่วที่บุคคลบริสุทธิ์ตามปกตินั้นสัมผัสเข้าด้วยการอยู่ร่วมกันคือการครบหาสมาคมกันแม้ตนเองก็สัมผัสเขาอยู่อย่างนั้น ไปเกี่ยวข้องกับคนเช่นใดก็เป็นอย่างนั้นแหละที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลย่อมกระทำบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตรและย่อมเข้าไปเสพ บ, บุคคลเช่นใดบุคคล น, นั้นแลเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคล น, นั้นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วซ่องเสพ บ, บุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติอยู่ ย่อมทําบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติที่ตนส่องเสพให้เปื้อนด้วยความชั่วเหมือนลูกศรที่แช่ยาพิษถูกยาพิษติดเปื้อนแล้วย่อมทําแล่งลูกศรที่ไม่ติดเปื้อนแล้วให้ติดเปื้อนด้วยยาพิษฉะนั้นนะครับอย่างสมมุติว่าพระมีศีลดีๆงา ม, งามสักองคหนึ่งนะครับไปอยู่ร่วมกับสมาคมทุศีลพักเดียวแค่นั้นนะครับกลับมาเนี่ยเสียศีนเสียธรรมไปหมดนะครับขอโอกาสครับไอ พิษที่เป็นเปื้อนเร่งธนูเนี่ยามาอุปมาเหมือนกับพระพิสุเนี่ยลองให้มันชัดเจนหน่อยว่าท่านเสียศีลหรือว่าท่านถูกคนอื่นเขารังเกียจเพราะเหตุที่ท่านไปคุกคีกับผู้มีศีลอย่ายงตัวอย่างนะครับว่าถ้าวัดเราเนี่ยนะอยู่กันแค่เนี้ยมีพระบางองค์เนี่ยนะครับขี้ยามาอยู่ด้วยผ้าในวัดนี้นะครับเริ่มจะเสียแล้วนะครับ เพราครับเพราะมันขี้ยาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาอย่างอื่นมาระบาดไปหมดนะครับอันนีเราต้อนรับอสาสัตวบุรุษทั้งหลายนี่นะครับหรือยกตัวอย่างนะว่าถ้าเราอยู่วัดอย่างงี้แล้วมีพระภิกษุบางรูปนะครับมีปืนผาหน้าไม้เต็มไปหมดนะครับบริวารเนี่ยกุยทั้งนั้นเลยนะมาเนี่ยนะมาอยู่วัดเนี่ยไม่นานนะครับวัดนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับไอสถานที่สักแห่งหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนกับแหล่งซ่องสมโจรทั้งหลายนะครับ เพราะเนื่องจากเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบทว่าอุปเลปะพยาธีโรความว่าคนชื่อว่าธีระเพราะผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำคือคนที่เป็นบัณฑิตไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายบทว่าปูติมัดฉังกุสักเขนะความว่าผู้ใดเอาปลายหญาคาผูกปลาที่เป็นปลาเน่าโดยเป็นของหน้าเกลียดคือผูกโดยพันให้เป็นหอ่อ ยาคาเหล่านั้นของผู้นั้นถึงจะไม่เน่าก็ว่าเหม็นเพราะห่อปลาเน่าเข้าไว้จะส่งกลิ่นเหม็นตลบทีเดียวฉันใดเอวังพาลูปเสเนวะการครบหาสมาคมกับคนผ่านก็มีอุปมาฉันนั้นนะครับแต่ถ้าคบบัณฑิตล่ะเอวังทีรูปรเสนวานาความว่าการครบหาสมาคมกับบัณฑิต ของผู้ไม่มีศีลตามปกติย่อมเป็นเหตุให้กลิ่นศีลฟุ้งกระจรไปด้วยสา ม, มารถแห่งการสมาทานศีลเป็นต้นพระภิกษุผู้ไม่มีศีลเนี่ยนะครับแต่ถ้าได้ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มคนมีศีลจริงๆก็พอแก้ไขได้นะครับเหมือนใบไม้ถึงจะไม่มีกลิ่นหอมแต่ก็ชื่อว่ามีกลิ่นหอมฟุ้งไปเพราะห่อกลิศนาไว้ฉะนั้นถ้าสมัยนี้เนี่ยนะผมนึกถึงรถนะครับรถเก๋งเป็นต้นเนี่ยนะผมนั่งรถคันบางคันเนี่ยเขาบอกซื้อปลาทะเลมานะครับ ื้อปลาทะเลมาไว้ในบนรถเก๋งเนี่ยแหละครับข้างหน้าคนนั่งนี่แหละทีนี้เขาก็เอาของลงหมดแล้วเขาก็ให้เราขึ้นนะครับแบกกลิ่นคาวเนี่ยคราคลุ้งรถเก๋งนั้นหมดไปเลยนะครับรถเนี่ยนะมองข้างนอกนี่งามมากนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยกลิ่นนี่หึงเลยนะครับต้องเปิดกระจกนะครับแอร์นี่ใช้ไม่ได้เลยมันเน่าเหม็นไปหมดอะหรือบางคันเนี่ยนะครับก็รถก็ธรรมดานะครับแต่ถ้าใส่น้ําหอมไปมันก็กลิ่นตลกอบรถไปหมดนะครับ นี่คืออนุภาพนั้นรถเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยนะครับรถยนต์รถเก๋งเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรหรอกแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรไปใส่การคบหาสมาคมกับคนก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความสําเร็จผลแห่งตนดุดหอใบไม้แล้วไม่พึงเข้าไปเสพอาสัตบุรุษพึงเสพสัตบุรุษเพราะว่าอาสัตบุตรย่อมนําไปสู่นรกสัตบุตรย่อมนําไปเสงสุขติอัตถิฐานทีบายว่า ตสมาความว่าเพราะเหตุที่คบมิตรที่ไม่ดีมีโทษเช่นนั้นและการครบมิตรที่ดีมีอ น, นิสงส์อย่างนี้คือเช่นนี้ฉะนั้นบัณฑิตรู้ผลของตนด้วยการรัคนกันแห่งวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมและการครบหาสมาคมกับคนดีและคนไม่ดีดุดห่อปลาราและกฤิศนาด้วยใบไม้คือเหมือนห่อปลาราและกลิศนาด้วยใบไม้ นะครับหายทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเจอกันทั้งหลายเนี่ยเอาประาร้าไปใส่เนี่ยนะเจกกันนั้นก็เมนต์ไปหมดนะครับบทว่ายัตวาสัมปากะมัตโนวความว่าบัณฑิตรู้คือทราบความสําเร็จผลของตนที่มีทุกเป็นกําไรและมีสุขเป็นกําไรแล้วนะครับรู้ว่าผลที่จะได้รับเป็นยังไงเมื่อครบคนเนี่ยนะไม่ควรคคหาสาาัตบุรุษคือมิดชั่วควรเสพแต่สัตบุรุษคือบัณฑิตผู้สงบประงับแล้ว ผู้มีโทษอันคายแล้วหรือผู้ที่นักปราดสรรเสริญแล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอสัตบุรุษนำไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษให้ถึงสุขติดังนั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงเหตุแห่งความสุขสามอย่างตามที่กล่าวมาแล้วด้วยคาถาแรกแล้วแสดงเหตุเป็นที่มาแห่งความสุขความสรรเสริมพร้อมกับการงดเว้นจากธรรมะเป็นปฏิปักษ์ด้วยห้าพหทถา ต่อจากนั้นแล้วก็แสดงความสุขสุดท้ายพร้อมด้วยเหตุที่ทำให้ประสบสุขทั้งสามด้วยพระคถาสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนมีศีลในชั้นต้นก็ต้องหลีกเลี่ยงคนผานคบบัณฑิตนะครับนั้นจึงจะเห็นว่าเออถ้ารักษาศีลดีแล้วก็ต้องอาศัยมิตรด้วยนะครับพอตัวเองสมาทานศีลแล้วก็ต้องหามงคล38ศึกษาดูให้ดีนะครับต้องปฏิบัติตัวไปตามมงคลทั้ง38ปประการนั่นแหละ